วันนี้เป็นวันจันท ร, ร์ที่สองกุมภาพันธ์พุทธศักราช2569เป็นวันพระวันธรรมสวระวันฟังธรรมวันปฏิบัติธรรมวันพัฒนาจิตใจ เป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสอนให้พุทธบริษัทผู้ปรถนาความสุขความเจริญของจิตใจให้ปล่อยวางภารกิจทางโลกทางราบยศสารเสริญสุขเพื่อที่จะได้เอาเวลามาให้กับการพัฒนาจิตใจให้สูงขึ้น ให้มีความสุขมากขึ้นให้มีความทุกข์น้อยลงไปจนหมดสิ้นไปจากใจการพัฒนาจิตใจนี้จำเป็นที่จะต้องมีการกระทำที่จะทำให้เกิดผลขึ้นมาตอนนี้จิตใจของพวกเรานี้ อยู่ในระดับของมนุษย์<ม>เราจึงได้มาเกิดเป็นมนุษย์กัน<ม>จิตใจของมนุษย์นี้อยู่เราอยู่ตรงกลางตรงกลาง ร, ระหว่างาสุขคติกับทุกขคติ<ม>คือพบที่ต่ากว่าจิตใจก็มีและพบที่สูงกว่าจิตใจก็มีพบที่สูงกว่าเราเรียกว่าสุขคติ คือสวรรค์ชั้นต่างๆภพที่ต่ำกว่าจิตใจเราเรียกว่าอบายภพที่ต่ำกว่าจิตใจนี้จะเป็นภพที่มีความทุกข์มากกว่าความสุขส่วนภพที่สูงกว่าจิตใจจะเป็นภพที่มีความสุขมากกว่าความทุกข์<ม>เป้าหมายของการพัฒนาจิตใจก็อยู่ที่การย ก, กระดับ จิตใจให้สูงขึ้นไปตามลำดับตามชั้นตามภพของภูมิภพภูมิต่างๆจนถึงภพภูมิที่สูงสุดคือภพภูมิของพระพุทธเจ้าและพระอาหาันตาสาวกทั้งหลายเป็นภพภูมิที่สูงสุดเพราะเป็นภพที่มีแต่ความสุขมีความสุขเต็มเปี่ยม ายในหัวใจปราศจากความทุกข์เรียกว่าปรามังสุขขังมร ม, มสุ ข, ขดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำกันคือเราต้องยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นและป้องกันไม่ให้จิตใจเราตกต่ำการที่เราจะจิตใจเราจะสูงขึ้นหรอจะลงต่ำนี้ ขึ้นอยู่กับการกระทําของเราเองการกระทําทางกายทางวาจาและทางใจที่เราเรียกว่ากรรมกรรมแปลว่าการกระทําคำว่ากรรมนี้มีหลายความหมายบางครั้งเราก็หมายถึงบาปเช่นเวลาเราพูดถึงบุญกรรมเราหมายถึงบุญและบาปแต่โดยโดยความเป็นจริงของของศัพท์ภาษาของ ศาสนาแล้วคำว่ากรรมนี้แปลว่าการกระทาไม่ได้เป็นบุญไม่ได้เป็นบาปถ้าถ้าทำความดีเราก็เรียกว่าบุญถ้าการกระทาดีเราก็เรียกว่าบุญถ้าการกระทาไม่ดีเราก็เรียกว่าบาปถ้าเราทำบาปจิตใจเราก็จะลงต่าถ้าเราทำบุญ จิตใจของเราก็จะขึ้นสูงดังนั้นในเบื้องต้นเราต้องป้องกันไม่ให้จิตใจเราลงต่ำก่อนอย่าให้จิตใจเราต่ำกว่ากว่าการเป็นมนุษย์ถ้าเราไม่ทำบาปจิตใจเราก็จะไม่ลงต่ำบาปก็มีอยู่สี่ข้อห้าข้อด้วยกันคือหนึ่งการฆ่าสัตว การลักทรัพย์การประพฤติผิดในการการพูดปดอันนี้เป็นบาปส่วนข้อที่ห้าคือการดื่มสุรายาเมาอันนี้ยังไม่เป็นบาปเป็นเพื่อนของบาปเป็นผู้สนับสนุนให้เกิดการกระทำบาปได้ง่ายขึ้นเพราะคือการดื่มสุรายาเมา เวลาที่ดื่มสุรายาเมาแล้วจะไม่มีสติประกอบประคองใจจะไม่มีสิ่งที่จะมาหยุดการกระทาที่ไม่ดีได้เวลาเมาแล้วมักจะพูดไม่ดีทาไม่ดีกันคิดไม่ดีกันเพราะไม่มีสติคอยควบคุมการกระทำทางกายทางวาจาและทางใจนั่นเองจึง ต้องรวมไว้ในศีลห้าศีลห้าก็คือเครื่องป้องกันการกระทำบาปเพราะถ้าสมาทานศีลห้าแล้วก็จะไม่ฆ่าสัตว์จะไม่รักทรัพย์จะไม่ประพฤติผิดในการมจะไม่พูดปดและจะไม่ดื่มสุรายาเมาเมื่อไม่ดื่มสุรายาเมาก็จะมีสติสัมปชัญญะที่จะ สามารถหยุดความคิดที่ไม่ดีได้หยุดการพูดที่ไม่ดีได้หยุดการกระทําที่ไม่ดีได้ถึงแม้ว่าการดื่มสุราเพียงลําพังนี้ยังไม่ถือว่าเป็นบาปเพราะเวลาดื่มสุราแล้วถ้ามึนเมาก็เข้านอนไม่ไปทําอะไรก็ยังไม่ได้ทําบาปแต่ถ้าเมาแล้วเกิดไปมีการกระทาอะไรต่างๆ ก็อาจจะเกิดการกระทําบาปตามมาก็ได้ mm. เช่นดื่มสุราแล้วเมาแล้วไปขับรถยนต์ขับไปก็อาจจะไปประสบกับอุบัติเหตุ mm. ไอ้ทาให้ผู้เสียชีวิตได้หรือเสียทรัพย์สินได้หรือ mm. เสียชีวิตของตนเองก็ได้ mm. เพราะไม่มีสติคอยควบคุมการขับรถเวลาจะต้องหยุดที่ กระธานหันก็ไม่สามารถที่จะหยุดได้หรือขับไปแล้วก็ไม่สามารถประครับประคองให้รถยนต์วิ่งอยู่ในถนนได้บางทีก็แหกโค้งไปบางทีก็ฝ่าไฟแดงไปเป็นต้นการดื่มสุราจึงเป็นข้อห้ามข้อหนึ่งแต่ยังไม่ถือว่าเป็นการกระทำบาปเรียกว่าเป็นอาบายมุกแต่บายมุกที่จำเป็นที่จะต้องละให้ได้ยาเด่ม เรลืมเราจะทำให้ไปทำบาปได้ง่ายขึ้นการกระทำบาปนี้ก็จะส่งผลให้จิตใจลงต่ำถ้าเราอยากจะพัฒนาจิตใจของเราให้สูงขึ้นไม่ให้ลงต่ำเบื้องต้นเราก็ต้องละ ก, การกระทำบาปไม่กระทำบาปสี่ข้อห้าข้อนี้ก่อนเพื่อที่จะได้ป้องกันไม่ให้จิตใจเราลงต่ำก่อนการเป็นมนุษย์นั่นเอง เพราะว่าถ้าเราทำบาปแล้วเนี่ยบาปจะดึงให้เราไปเกิดในอบายซึ่งมีอยู่สี่ที่ด้วยกันขึ้นอยู่กับสาเหตุของการกระทำบาปว่าทำด้วยเหตุอะไรถ้าทำด้วยความหลงก็จะไปเป็นเดรัจฉานถ้าทำด้วยความโลภก็จะไปเป็นเปรต ถ, ถ้าทำด้วยความกลัวก็จะไปเป็นนสุรกาย ถ้าทำด้วยความอาฆาตพยาบาทเครียดแค้นจองเวรจองกรรมก็จะไปนรกอันนี้คือที่สี่ที่ของการไปจากการกระทําบาปเป็นผลที่เกิดจากการกระทําบาปเช่นเวลาถ้าจิตเราตายไปหรือขณะ น, นี้จิตของเรามีบาปมากกว่าบุญบาปก็จะดึงใจเราถ้าเกิดเราตายในวันนี้ บาก็จะดึงใจให้เราไปในอาบายที่ใดที่หนึ่งขึ้นอยู่กับเหตุของการกระทําบาว่าเราทําด้วยเหตุผลนั้นใดถ้าสมมุติว่าจิตใจของเรานี้เป็นกลางบาปก็ไม่มีบุญก็ยังไม่ได้มีหรือบาปก็มีเท่ากับบุญตอนนี้เราก็ยังเป็นมนุษย์อยู่จิตใจของเราก็ยังเป็นมนุษย์อยู่ดังนั้น อย่าให้จิตใจเราจากการเป็นมนุษย์ให้ตกต่ำอย่าเปลี่ยนจิตใจให้ไปเป็นเนรชานเป็นเปรตเป็นนสุรกายหรือเป็นนรกด้วยการรักษาศีลห้าให้ดีอย่ากระทำบากแล้วเวลาตายไปจิตใจของเราก็จะได้ไม่ต้องไปสู่อบายทั้งสี่สที่นี้นี่คือข้อที่หนึ่งในการพัฒนาจิตใจ เราต้องป้องกันไม่ให้ตกต่ําก่อนอยู่การตกต่ําของจิตใจเราต้องการขึ้นสูงเราไม่ต้องการลงต่ําเราต้องป้องกันการลงต่ําด้วยการไม่ทํำบาปด้วยการถือศีลห้าเมื่อเราป้องกันการไม่ให้จิตใจเราลงต่ําได้แล้วบาปเราไม่ทําแล้วทีนี้เราก็มาเพิ่มบุญให้มี มากขึ้นเพื่อบุญจะได้เดึงเราขึ้นสูงได้ขึ้นไปสู่สวรรค์ชั้นต่างๆซึ่งมีอยู่ประมาณสามระดับใหญ่ๆด้วยกันคือสวรรค์ชั้นเทพแล้วก็ไปสู่สวรรค์ชั้นพรมแล้วก็ไปสู่สวรรค์ชั้นนิพพานที่เป็นสวรรค์ที่เป็นสวรรค์ที่ชั้นสูงสุดและการที่จะขึ้นไปสู่สวรรค์เหล่านี้ ก็ต้องมีการกระทําการกระทำที่ที่ดีที่เราเรียกว่าการทําบุญการที่เราจะขึ้นสู่จากสวรรค์จากจากชั้นมนุษย์ที่เราเป็นอยู่ในขณะนี้ให้ขึ้นไปเป็นสวรรค์ชั้นเทพเป็นชั้นที่หนึ่งที่เราจะต้องผ่านก่อนที่จะไปสู่ชั้นที่2และชั้นที่สได้เราก็ต้องผ่านสวรรค์ชั้นที่หนึ่งไปก่อน สวรรค์ชั้นที่หนึ่งนี้ก็สวรรค์ชั้นเทพแล้ววิธีที่จะทําทให้เราได้ไปสู่สวรรค์ชั้นเทพนี้ทําอย่างไรก็ทําความดีด้วยการทําบุญทําทานนั่นเองทําทานทานแปลว่าการให้ให้ความสุขกับผู้อื่นด้วยการการะ ท, ทําที่จะทําให้ผู้อื่นนั้นเกิดความสุขขึ้นมาเช่นเราใส่บาตรนี่เราก็ให้ความสุขกับพระภิกษุ เพราะว่าถ้าพระภิกษุไม่มีคนใส่บาตรพระภิกษุก็จะไม่มีอาหารรับประทานพระภิกษุก็จะมีแต่ความทุกข์แต่พอญาติโยมได้ใส่บาตรให้กับพระภิกษุพระภิกษุก็จะได้อาหารไปรับประทานความทุกข์ก็จะหายไปความสุขของพระภิกษุก็จะเกิดขึ้นมาเมื่อเราเห็นว่าเราได้ทำความสุขให้แก่ผู้อื่น ใจล้วก็เกิดความสุขขึ้นมาในใจความสุขที่เกิดขึ้นในใจของเรานี้เราเรียกว่าบุญนี่บุญที่จะทำให้ใจเป็นสวรรค์ชั้นเทพต่อไปเวลาที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วถ้าบุญที่เราทำนี้มีมากกับบาปเราอาจจะยังอาจจะมีการผิดพลาดบางครั้งบางคราวอาจจะเผลอพลั้งไปทำบาปได้บ้าง ถึงแม้จะรักษาสีลห้าแล้วก็ดีบางวันเราอาจจะไม่รักษาก็ได้ถ้าเรายังทำบาปอยู่แล้วเราก็ทำบุญไปด้วยถ้าเราอยากจะไปสวรรค์หลังจากที่เราตายไปแล้วบุญที่เราทำนี้จะต้องมีมากกว่าบาปถึงจะดวงใจขึ้นสู่สวรรค์ชั้นเทพได้ ถ้าบาปยังมีมากกว่าบุญอยู่บาปก็จะดึงให้ลงไปอาบายก่อนบุญที่เราทำนี้ไม่หายไปไหนแต่ยังไม่มีกำลังที่จะดึงใจให้ขึ้นไปสวรรค์ได้ต้องรอให้บาปลดน้อยลงกว่าบุญให้ให้บาปมีน้อยกว่าบุญก่อนบุญถึงจะมีกำลังที่จะดึงไปสู่สวรรค์ได้ดังนั้นเราก็ต้องพยายามทำบุญอย่างสม่าเสมอ อย่างศรัทธายาดอยู่ัางท่านนี่ก็ใส่บาททุกวันรักษาสิห้าให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพราะว่าชีวิตของคารว่าผู้ครองเรือนี้ก็ยังอาจจะมีการผิดพลาดเผลอพังไปกระทำบาปได้อยู่แต่พยายามทำให้น้อยแลย้วอย่าไปทำบาปที่หนักทำบาปที่เบา บาปที่หนักที่สุดในในในสีลห้านี้ก็คือการฆ่าสัตว์ลองลงมาก็คือการลักทรัพย์ลองลงมาก็คือการประพฤติผิดในกรรมแล้วลองลงมาก็คือการพูดปดพูดโกหกนั้นพยายามอย่าไปทําบาปที่หนักคือการฆ่าพูดอันนี้ถือว่าเป็นบาปหนักรองลงมาก็ไปลักทรัพย์ไปชอบโกงทรัพย์ของพูด ลองลงมาก็ไปประพฤติผิดในการมไปยุ่งเกี่ยวกับสามีภรรยาของผู้อื่นแล้วก็การพูดปดการไม่พูดความจริงพยายามอย่ากระทำบาปเหล่านี้พยายามทำบุญให้มากทำบุญให้สม่าเสมอวันละน้อยกว่าน้อยก็ดีกว่าไม่ทำทำให้มันติดเป็นนิสัยแล้วมันจะสะสมเป็นปริมาณมากขึ้นมาเอง ถ้าเราปล่อยให้นานๆจะทำสักครั้งเช่นวันพระอาจจะทาําอาทิตย์หนึ่งอาจจะทําเพียงครั้งเดียวอันนี้อาจจะสู้ที่เราทําทุกวันไม่ได้นำทํำทุกวันแล้วเราก็จะติดเป็นนิสัยพอถึงวันพอถึงเวลาก็อยากจะทําบุญถ้าเป็นวันพระนานๆทาทีพระวันพระนี่อาจจะทําวันพระหน้าอาจจะลืมก็ได้อาจจะข้ามไปก็ได้ พยายามทำบุญให้เป็นนิสัยขึ้นมาจะได้มีบุญหลอเลี้ยงเพิ่มเติมจิตใจเพิ่มเติมภายในใจให้มีมากขึ้นไปตามลำดับ<ม>แล้วเราก็จะได้ไปสวรรค์ชั้นเทพ<ม>แล้วหลังจากที่เราได้สวรรค์ชั้นเทพแล้วถ้าเราอยากจะได้ความสุขที่สูงกว่าที่มากกว่าสวรรค์ชั้นเทพก็คือสวรรค์ชั้นพรหม เราก็ต้องมาปฏิบัติกา ร, รการทําบุญอีกประเภทหนึ่งคือการทําบุญด้วยการฝึกสมาธิการทําใจให้นิ่งให้สงบและการละเว้นการเสบรูปเสียงกลิ่นลดผลถ้าผ้คือพรหมนี้สวรรค์ท่านพรหมนี้จะไม่เสบรูปเสียงกลิ่นลดสรชั้นเทพนี้ยังเสบรูปเสียงกลิ่นลดอยู่ เป็นรูปทิพย์เสียงทิพย์ิ่นทิพย์่แต่พอขึ้นสวรรค์ชั้นพรมถ้าอยากจะได้ความสุขที่มากกว่าความสุขที่ได้จากรูปเสียงกลิ่นลดก็ต้องเข้าสู่สมาธิเข้าสู่ความสงบการจะเข้าสู่ความสงบได้ก็ต้องละการเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นลดคือมาปฏิบัติในคขมะคือเพิ่มศีลอีกข้ออีกสอีกข้ออยากเดิม5ข้อ เพิ่มอีกสามข้อแล้วเปลี่ยนเปนข้อที่สให้ไปเป็นอบ ร, รมจริยาสีลห้าของข้อที่สก็คือไม่ประพฤตินในกามก็เปลี่ยนเป็นอ布拉มจริยาก็คือไม่ประพฤติในกามเลยไม่ร่วมหลับนอนกับใครเลยและเว้นการหาความสุขจากการเสพรูปเสียงกลิ่นรสแล้วก็เพิ่มสีนข้อ 6. ไม่หาความสุขจากการรับประทานอาหาร จากการเสพรูปเสียงกลิ่นรสของอาหารด้วยการรับประทานไม่เกินเที่ยงวันไปรับประทานเพื่อให้เลี้ยงดูร่างกายให้อยู่ไปวันวันหนึ่งก็พอไม่ให้หาความสุขจากการรับประทานอาหารตามความอยากถ้าถือศีลห้านี้สามารถรับประทานอาหารได้วันละกี่ครั้งก็ได้วันละสีห้าครั้งก็ได้ห้าหกครั้งก็ได้แต่พอมาถึงศีลแปดปฏิบัติเนธขมมะนี่ ก็จะรับประทานได้เพียงสองมือเป็นอย่างมากไม่รับประทานเกินเที่ยงวันไปแล้วอันนี้เป็นการตัดการเสพกรามเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสของอาหารแล้วข้อที่เจ็ดก็มาตัดการเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสของแสงสีเสียงพวกละครบันเทิงต่างๆดูหนังฟังเพลงน้องราทําเพลงไปสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆอันนี้เป็นการเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรส ต่างๆทางต า, งต า, งตางหูจมูกเล่นกายเพื่อที่จะได้มีเวลาไปนั่งสมาธิกันในศินแปนี้ในข้อศินข้อที่เจ็ดนี้นอกจากไม่เสบ ร, รูปเสียงกินลดของพวกบันเทิงพวกพวกร้องลํำทำเพลงพวกหนังพวกละครแล้วก็ยังไม่เสริมสวยความงามของร่างกายด้วยไม่เสบความงามของร่างกาย ไม่ทําเผาทําผมไม่ทำหน้าทําตาไม่ใส่เสื้อผ้าที่มีสีวิจิตพิสดารสีสันนิสิตพิสดารเป็นต้นให้แต่งตัวแบบเรียบง่ายอาบน้ำแล้วก็หวีผ้าหีผมก็พอให้เรียบร้อยใส่เสื้อผ้าแบบเรียบง่ายเช่นชุดขาวชุดดำขาวเป็นต้นก็พอ ไม่ให้ใส่สีฉูดฉาดสีที่จะทำให้เกิดกระตุ้นให้เกิดการอารมณ์ขึ้นมา mm hmm. แล้วก็มาสินที่สินแปดก็คือไม่ให้หาความสุขจากการหลับนอนมากจนเกินไปให้นอนได้เพื่อพักผ่อนร่างกายซึ่งธรรมดาปกติร่างกายก็ต้องการพักผ่อนคืนละสีห้าชั่วโมงก็พอก mm hmm. ารที่เราจะไม่นอนมากเราก็ต้องไม่นอนบนเตียงสำาราญเตียงที่มีความสุข เตียงที่มีความพูกนะมีพูกนันนะเพราะถ้าเรานอนบนเตียงสำลานเวลาร่างกายได้พักผ่อนสีห้าชั่วโมงแล้วจะตื่นขึ้นมาแต่ใจนี่จะไม่อยากจะลุกเพราะเกิดกับความสุขที่นอนบนบนเตียงที่มีพูกนะนะันนามีความสุขก็จะขอนอนต่ออีกส3งสามชั่วโมงทำให้เสียเวลาของการปฏิบัติสมาธิไปเลยต้องนอนบนเตียงที่ไม่มีฟูกนะนะันนา เตีงที่เป็นพื้นแข็งๆปูด้วยผ้าปูด้วยเสือ่อหรือนอนกับพื้นก็ได้ถ้านอนแบบนี้เวลาร่างกายได้พักผ่อนสี่ห้าชั่วโมงแล้วพอตื่นขึ้นมาใจก็อยากจะไม่อยากจะนอนต่อเพราะมันไม่สบายถ้านอนบนพื้นแข็งไม่ได้มีโรคเจ็บหลังเลื่อนอะไรก็อาจจะนอนบนฟูกบางๆความหนาประมาณสักนิ้วหนึ่งเป็นต้นฟูกยาง ไม่ให้นอนเพื่อให้เกิดความเกษมสำราญให้นอนเพื่อป้องกันรักษาร่างกายก็ยพอได้อยู่แต่ไม่ใช่เป็นฟุ้งนั้นนาอันนี้คือการปฏิบัติเนคข ม, มะคือการล ะ, ละเว้นการหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสเราก็ต้องถือเสียงแปกันแล้วเราก็จะได้มีเวลามานั่งสมาธิกัน การนั่งสมาธิก็ต้องมีสติคอยกำกับใจาาจะมาตั้งสติเฉพาะช่วงที่เรานั่งก็ไม่พอสตินี้จะไม่พอกำลังจะไม่พอจะนั่งแล้วไม่สงบถ้าอยากจะนั่งให้สงบนี้ต้องตั้งสติตั้งแต่ก่อนก่อนจะมานั่งนั่งสมาธิคือให้ตั้งสติทั้งวันเช่นถ้าเราเป็นวันพระนี้เราหยุดทำงานทุกอย่างแล้เอาเวลามาให้กับการฝึกสมาธิกัน มาฝึกสติกันเราก็จะฝึกสติตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเลยพอลืมตามขึ้นมาของเช้าของวันพระวันนี้เราก็เริ่มรักษาสติเจริญสติด้วยการบริกรรมพุโทโธพุโทโธอยู่เรื่อยๆหรือด้วยการเฝ้าดูการเคลื่อนไหวต่างๆของร่างกายอย่าปล่อยให้ใจไปที่อื่นอย่าปล่อยให้ใจไปคิดถึงอดีตอย่าปล่อยให้ไปคิดถึงอนาคตอย่าให้คิดเรื่องนั้นอย่าให้คิดเรื่องนี้ ให้อยู่กับพุโทโธไปหรือให้อยู่กับการกระทําของร่างกายไปอยู่กับการเดินการยืนการนั่งการนอนการรับประทานอาหารการทําอะไรต่างๆของร่างกายผูกใจไว้กับร่างกายอ น, นี้เรียกว่าเป็นการสร้างสติขึ้นมาเพื่อไม่ให้ใจลอยไปลอยมาแล้วพอมานั่งสมาธิใจก็จะไม่ไปที่อื่นใจก็จะไม่คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ใจก็จะไม่ฟุ้ง นั่งสมาธิก็ผูกใจไว้กับอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งอยู่กับพุทธโธต่อไปก็ได้หรือจะใช้การดูลมหายใจเข้าออกก็ได้ถ้าจะดูร่างกายก็ดูที่ลมหายใจเข้าออกดูที่ปลายจมูกไม่ต้องตามลมเข้าไม่ต้องตามลมออกดูอยู่จุดเดียวจุดที่ลมเข้าออกสัมผัสที่ปลายจมูกให้รู้กับคามสัมผัสของลม ลมจะสัน้นลมจะยาวก็ไม่ต้องไปบังคับลมปล่อยให้ลมเป็นไปตามธรรมชาติของลมลมจะยาวลมจะละเอียดก็ปล่อยก็ให้รู้เฉยเฉยไปลมจะหายไปก็ให้รู้เฉยเฉยไปให้รู้อยู่ที่เดียวถ้าไปถึงขั้นที่ลมหายไปนี่แสดงว่าลมละเอียดมากแล้วแสดงว่าจิตใกล้จะรวมใกล้จะเข้าสู่ความสงบแล้วอย่าไปทำอะไรอย่าไปคิดอะไรอย่าไปเปลี่ยนที่ดูดูที่เดิม ดูที่ปลายจมูกถึงแม้จะไม่มีลมให้ดูก็ดูที่ตรงนั้นแล้วไม่นานจิตก็จะดิ่งเข้าสู่ความสงบได้เพราะเด้งพอจิตสงบแล้วจิตก็จะนิ่งความคิดก็จะหายไปการควบคุมใจก็ไม่จําเป็นอีกต่อไปก็อยู่กับความว่างอยู่กับความสุขที่เกิดจากความสงบนั่นไปอันนี้แหละคือวิธีสร้างจิตใจให้เป็นพรหมขึ้นมา เมื่อเจนได้เข้าฌานแล้วก็ถือว่าได้เข้าสู่ภพของพรหมที่เรียกว่ารูปประพรมฌานนี้มีอยู่สองขั้นขั้ น, ปป ร, น, นรูปประฌานกับขั้นอรูปประฌานเบื้องต้นเราจะเข้าสู่รูปประฌานก่อนแล้วถ้าเรามีกําลังสติมากขึ้นหลังจากท่านที่ได้รูปประฌานแล้วเราก็สามารถเข้าสู่ขั้นอรูปประฌานต่อไปได้ถ้าเข้าสู่ได้ขั้นอรูปประฌานได้ก็เข้าสู่ สวรรค์ชั้นพรมอีกระดับหนึ่งเรียกว่าอารูปประพรมสวรรค์ชั้นพรมนี่มสีสองระดับด้วยกันระดับรูปประพรมกับระดับอารูปประพรมนี่ก็คือการยกระดับจิตใจถ้าเราเข้าสมาธิเข้าฌานได้เวลาร่างกายตายไปจิตเราก็จะไปอยู่ในสวรรค์ชั้นพรมสวรรค์รูปประรมถ้าได้รูปประฌานสวรรค์อรูปประพรมถ้าได้อารูปประฌาน แล้วหลังจากนั้นถ้าเรายังอยากจะขึ้นไปสูงกว่าสวรรค์ชั้นพรมคือไปสู่สวรรค์ชั้นอริยะสวรรค์ชั้นนิพพานสวรรค์ที่พระพุทธเจ้าและพาาระอนันตสาวมอยู่เราก็ต้องเพิ่มการปฏิบัติอีกข้อหนึ่งเวลาเราไม่ได้อยู่ในสมาธิ <c oughs> เราก็ใช้ปัญญาคอยรักษาใจให้สงบเฝ้าดูตัวที่มาทำลายความสงบของใจที่เราได้จากการเข้าฌานขั้นต่าง ว่าเกิดจากอะไรเราก็จะเห็นว่าเกิดจากตัณหาความอยากของใจยังอยากจะไปยังอยากจะไปเสบ ร, รูปเสียงกลิ่นรสอยู่ยังอยากจะไปดูไปฟังยะงไปกินไปดื่มอยู่ยังอยากได้ร่ำได้รวย <c oughs> ยังอยากได้แฟนยางดัง <c oughs> ความอยากต่างๆเนี่ยมันตัวที่จะทาให้ใจกระเพื่อมทำให้ใจไม่นิ่งไม่สงบถ้าอยากจะให้ใจนิ่งให้สงบก็ต้องคอยกำจัดความอยากเวลามันเกิดขึ้น ในการพิจารณาให้เห็นว่าสิ่งต่างๆที่ใจอยากได้นั้นเป็นตายรักเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาคือมเป็นของไม่เที่ยงถึงแม้จะให้ความสุขกเราก็เป็นความสุขชั่วคราวแต่ ว, วันหนึ่งความสุขนั้นก็จะหมดไปเพราะสิ่งนั้นก็อาจจะดับไปสิ่งที่ให้ความสุขกับเรามันก็อาจจะดับไปพอดับไปความสุขก็หมดไปความทุกข์ก็เข้ามาทันทีพิจารณาให้เห็นว่าเป็นทุกข์ทั้งนั้น พอเราเห็นสิ่งที่เราอยากได้เป็นทุกเราก็จะไม่อยากได้อะไรความอยากที่กรโผลกขึ้นมาก็จะหายไปหมดอันนี้เป็นขั้นสูงสุดพอไม่มีความอยากอะไรหลงเหลืออยู่ในใจใจก็เข้าสู่สวรรค์ชั้นสูงสุดคือ ส, สวรรค์ชั้นนิพพานสวรรค์ที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตรสาวกได้เข้าไปถึงกันก็แสดงว่าถ้าเราทำใจให้สะอาดบริสุทธิ์กำจัดความอยากต่าง ด้วยปัญญาได้หมดแล้วใจเราก็จะเป็นนิพพานขึ้นมาใจก็จะเป็นพาาาระอรหันต์เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมานี่นี่คือสวรรค์ชั้นสูงสุดการพัฒนาที่ถึงขั้นสูงสุดก็คือขั้นพานิพานเพราะเหนือการ น, นิพพานไม่มีอะไรไม่มีอีกแล้วเพราะความสุขขั้นนิพพานนี่เป็นความสุขที่สูงสุดที่เต็มที่ที่เต็มเปลี่ยนไยในหัวใจไม่มีช่องว่างให้ความสุขอย่างอื่นเข้ามาได้อีกแล้ว มีแต่ความสุขที่เป็นบาลามังสุขขังไม่มีช่องว่างให้ความทุกข์มีอยู่ในใจต่อไปใจนี้แหละที่จะไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดไปหาความสุขในพบตั้งสามอีกต่อไปไม่ต้องไปหาความสุขจากการมาพบไม่ต้องไปหาความสุขจากรูปภพไม่ต้องไปหาความสุขจากการรูปภพพอใจได้เข้าถึงพระ น, นิพพานสวรรค์ที่มีความสุขที่มีความอิ่มมีความพออยู่ในตัว จึงไม่จาเป็นที่จะต้องไปหาความสุขในพบต่างๆอาต่อไปการมวียนว่ายตายเกิดของจิตดวงนั้นก็สิ้นสุดลงไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายต่อไปถ้าถ้าได้สวรรค์ชั้นเทพตายไปไปสวรรค์พอบุญหมดก็ยังต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วมาสร้างบุญใหม่ถ้าได้สวรรค์ชั้นพรหมก็เช่นเดียวกันเวลาเวลาฌาเสื่อมลง ก็จะต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วพอมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ต้องมาเจอกับความทุกข์ของความแก่ความเจ็บความตายใหม่อีกรอบก็จะเวียนว่ายตายเกิดไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะสามารถขึ้นสู่สวรรค์ชั้นสูงสุดคือชั้นพันธิพานได้จึงจะไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปนี่คือเป้าหมายของการมาปฏิบัติธรรมในวันพระที่เราเรียกว่าวันพัฒนาจิตใจ ตอนนี้จิตใจของเราอยู่ในระดับของมนุษย์เราก็ต้องพัฒนาให้ขึ้นไปสู่ชั้นเทพแล้วเราอยู่ชั้นเทพแล้วเราก็พัฒนาให้ขึ้นไปสู่ชั้นพรหมล้วเราอยู่ชั้นพรหมแล้วเราก็พัฒนาให้ขึ้นไปอยู่ชั้นนิพพานต่อไปตามลำดับด้วยการปฏิบัติกรรมดีต่างๆเช่นรักษาศีลทาบุญทำทานก็จะได้สวรรค์ชั้นเทพปฏิบัติเนธัมมะ น่งสมาธิเข้าฌานขั้นต่างๆก็ได้สวรรค์ชั้นพรหมเจริญปัญญาเพื่อตัดความอยากด้วยการเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่อยากได้นั้นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็จะได้ฟ้าลิผานนี่แหละคือหน้าที่ของชาวพุทธเราที่เรามาปฏิบัติกันทุกวันพระนี้ก็เพื่อมาพัฒนาสร้างจิตใจของเราให้สูงขึ้นให้มีความสุขมากขึ้น และให้มีความทุกข์น้อยลงไปถ้าเราปฏิบัติไม่หยุดไม่หย่อนวันหนึ่งข้างหน้าเราก็จะได้ไปถึงสวรรค์ชั้นที่สูงสุดคือพระนิพพานได้อย่างแน่นอนนี่คือเรื่องราวของธรรมะที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาเพราะต่อไปเราก็จะมาปฏิบัติธรรมกันรู้วิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องแล้วขั้นต่อไปก็มาปฏิบัติให้เกิดผล ผลไม่เกิดจากการได้ได้ยินได้ฟังธรรมการได้ยินได้ฟังธรรมนี้เป็นการเรียนรู้วิธีสร้างผลคือความสุขสร้างสวรรค์ชั้นพรหมตอนนี้เราจะมาสร้างสวรรค์ชั้นพรหมกันด้วยการมานั่งสมาธิหยุดความคิดให้ได้ถ้าใจายหยุดคิดได้ใจก็จะสงบใจก็จะเป็นฌานขึ้นมาพอได้ฌานแล้วก็จะได้สวรรค์ชั้นพรหมถ้าเกิดเราตายไปในวันนี้ ใจของเราก็จะไปสู่สวรรค์ชั้นพรมทันทีจะอยู่นานไม่นานก็อยู่ว่าเราเข้าฌานได้มากได้น้อยถ้าเข้าฌานได้มากได้นานได้บ่อยเราก็จะอยู่สวรรค์ชั้นพรมได้นานถ้าเข้าได้แป๊บเดียวก็อาจจะไปอยู่เดียวเดียวถ้าอยากจะอยู่นานๆนนก็ต้องมาฝึกสตินั่งสมาธิ Spieler? บ่อยๆพยายามนั่งทั้งวันนั่งทั้งวันต่อไปก็ไปบวชจะได้ไม่ต้องไปทาอะไรนอกจากการไปนั่งสมาธิ ทำใจให้เป็นสวรรค์ชั้นพรหมขึ้นมาต่อไปแล้ต่อไปนี้เราจะมานั่งสมาธิกันเพื่อหยุดความคิดเพื่อให้จิตเข้าฌานกันการจะเข้าฌานได้ต้องหยุดความคิดการจะหยุดความคิดได้ต้องมีสติคือการระลึกรู้ถูกใจให้อยู่กับอารมณ์ที่จะกล่อมใจให้สงบให้นิง่งให้เป็นฌานขึ้นมาก็คือกรรมฐานอารมณ์เหล่านี้เราเรียกว่ากรรมฐานกรรมฐานมีหลายชนิดด้วยกัน แตชนิดที่เราใช้ในขณะที่เราจะนั่งสมาธินี้ก็มีอยู่สองสามอย่างแล้วแต่ภาวะของจิตใจเราว่าเป็นอย่างไรถ้าเริ่มต้นเวลาจิตใจยังฟุ้งซ่านอยู่ยังนั่งดูลมไม่ได้ยังบริกรรมพุทโธไม่ได้ชอบคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่ก็ให้มาใช้การสวรดมนต์ไปก่อนนั่งนั่งหลับตาในท่าสมาธิแล้วก็สวดมนต์ไปภายในใจสวดบทที่เราจําได้สวดไปเรื่อยๆสวดไปหลายๆรอบ เช่จนจะสวดบทอิติปิโสก็ได้สวดบทแผ่เมตตาก็ได้หรือสวดบทประสูตรต่างๆก็ได้อันไหนที่เราจําได้สวดไปมีผลเหมือนกันคือทําให้ใจเรามีสติมากขึ้นทําให้ความฟุ้งซ่านน้อยลงไปพอเราสวดไปสักระยะหนึ่งแล้วใจก็หายฟุ้งซ่านก็สามารถมาดูลมได้หรือสามารถบริกรรมพุทโธได้เราก็เปลี่ยนมาดูลม เปลนมาบริกรรมพุทโธแล้วก็นั่งไปอยู่กับลมอยู่กับพุทโธไปจนขาดจิตจะเข้าสู่ความสงบรรอย่างเต็มที่ไม่ให้ทิ้งลมไม่ให้ทิ้งพุทาบริกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเราสามารถเลือกได้จะเอาลมอย่างเดียวก็ได้พุทโธอย่างเดียวก็ได้หรือบางท่านจะเอาทั้งพุทธทั้งโทพุทโธรวมกับลมก็ได้แล้วแต่จริตหรือถ้าไปปฏิบัติที่สำนักอื่นเขาสอนวิธีอื่นก็ใช้ได้เหมือนกันบางสำนักก็สอนให้ดูที่หน้าท้องยุบหน่อพองหนอ ทางสามนักก็ให้ดูลูกแก้วให้ว่าคำว่าสัมมาหังอันนี้ก็เป็นกรรมฐานกล่อมใจให้สงบได้เหมือนกันอันนี้ที่นี้ไม่จำกัดว่าจะต้องใช้แบบนั้นแบบนี้แบบไหนที่ทำให้ใจนิ่งสงบเข้าสมาธิเป็นฌานได้ก็ใช้ได้เหมือนกัน mm hmm. แต่สาคัญต้องผูกใจไว้อยู่กับอารมณ์นั้นให้ได้อย่าปล่อยอย่าให้หนีอย่าให้ใจหนีไปจากการเข้าดูอารมณ์นั้น ถึงแม้มีอะไรจะมาชวนไปก็อย่าไปมีเสียงเข้ามาชวนก็อย่าตามเสียงไปมีภาพปรากฏขึ้นมาในใจก็อย่าตามไปมีอาการอะไรต่างๆปรากฏขึ้นมาในใจจะเป็นแสงสว่างหรือเป็นอะไรก็ตามอย่าไปตามดึงกลับมาผูกใจให้อยู่กับอารมณ์ที่เราที่เราใช้ในการผูกใจไว้จะเป็นลมก็กลับมาหาลมเป็นพุทโธก็กลับมาหาพุทโธแล้วถ้าเราไม่ทิ้งพุทโธไม่ทิ้งลมไปเดี๋ยวใจก็จะเข้าสู่ความสงบ พอใจนิ่งสงบแล้วก็เบาสบายไม่ต้องทําอะไรไม่ต้องบังคับแล้วพอใจหยุดหยุดคิดใจหยุดหยุดวิ่งไปวิ่งมาล้ใจอยู่เฉยๆนิ่งสงบมีความสุขนี่คือเป้าหมายที่เราต้องการคือความสงบเพราะเป็นความสุขอย่างยิ่งแล้วก็มีเป็นทําให้ใจเป็นกลางเป็นอุเบกขาไม่มีความรักชังกลัวหลงซึ่งเราจะต้องมีอุเบกขาเพื่อเอาไปใช้ในการเจริญปัญญาหยุดความอยากต่อไป เราต้องมาสร้างอุเบกขาให้มากๆด้วยการให้มันสงบนานๆนิ่งนานๆถ้ามันไม่นิ่งแล้วเราก็กลับมาเริ่มต้นใหม่พุโทโธใหม่ดูลมใหม่ต่อไปพยายามทาบ่อยๆทําหลายๆรอบแล้วต่อไปใจเราจะมีอุเบกขามากจะสามารถเอาชนะความอยากได้เมื่อเาพิจารณาด้วยปัญญาแล้วว่าความอยากจะนําเราไปสู่ความทุกข์เราก็หยุดความอยากได้ทันทีแล้วต่อไปนี้เราจะมานั่งสมาธิกันอีกประมาณยีสิบสามนาทีด้วยกัน ตอนนี้เวลาสาหรับการนั่งสมาธิก็ได้หมดลงแล้วก่อนที่จะเลิกให้สังเกตดูว่าวันนี้นั่งแล้วสงบไหมถ้าสงบดีก็ให้จดจำวิธีนั่งของวันนี้ไว้คราวหน้าเวลามานั่งก็จะได้สงบได้ทันทีอย่าไปนั่งแล้วอยากให้มันสงบเพราะมันจะไม่สงบต้องจำวิธีนี้ไว้แล้วก็จะทําให้มันสงบได้ต่อไปถ้านั่งยังไม่สงบก็แสดงว่า สติยังมีกำลังน้อยต้องหมั่นเจริญสติให้มากก่อนที่จะมานั่งเราสามารถเจริญสติได้ทั้งวันตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนหลับด้วยการบริกรรมพุทโธพุทโธไปหรือด้วยการเฝ้าดูการกระทำของร่างกายไปแล้วต่อไปเราจะมีสมาธิมีสติมากขึ้นพอนั่งสมาธิก็จะสงบได้ง่ายขึ้นได้นานขึ้นแล้วต่อไปนี้จะขออนุมโมทนาให้พร ยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสากหลังเอวเมวะอโตทินังเปตานังอุปการปติยิชิตังปฏิิชิตังตุหังคิปเป็นวสมิจัตสัพเพปุเรนตุสังคปะจันโทปนะระโสยะถามณีจดิ ภราสุยทาสพเติยวิวาชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภาวัตวันตราลายสุขิทีขายุโกภาวะอภิวาทานสีลิปสนิจังุทธาปจายโนจตารุธรรมวัชันติอายุวันุสุขัง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 ถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้วันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่กราบเรียนครับผู้อาจารย์วันนี้มีผู้ติดตามทาง Facebook พระอาจารย์สุชาติ302ท่านทาง YouTube พระอาจารย์สุชาติ151ท่านทาง YouTube ดกเตรวีท่านทางวิทยุออนไลน์6ท่านทาง c ั u เฮ o u ์ e 6ท่าน ผู้รับฟังหน้ากุติหนึ่งร้อยยี่สิบสามท่านรวมทั้งหมดเจ็ดร้อยยี่สิบสี่ท่านครับใครอยากจะถามก็เชิญเข้ามาถามได้นะถ้ายังไม่มีก็เอาคำถามทางบ้านก่อนก็ได้คำถามจากทางเฟซบุ๊กคุณวิพาดาค่ะจิตมันรวมเองค่ะขณะยืนล้างจานอยู่ ไปเห็นจิต ก, กับกายแยกกันต่างก็ทำงานคนละส่วนกันมันไม่ใช่อันเดียวกันอย่างนี้คืออะไรคะแล้วก็มีเสียงให้ดูความยินดีในความสุขก็ออกมาพิจารณาก็เห็นว่าความสุขก็ไม่เที่ยงน้ำตาไหลเลยค่ะเพราะเราไม่เคยเห็นเลยเท่า น, นั้นแหละก็เห็นแล้วลองถามเราทำไมว่าเป็นอะไรมันก็เป็นอย่างที่เห็นนะ่ะมันก็ไม่เที่ยงเกิดแล้วก็ดับไปผ่านไป ถ้าเอามาใช้ประโยชน์ได้ก็เอามาใช้สอนใจถ้าไม่เป็นประโยชน์อะไรก็ปล่อยมันผ่านไปคําถามจากคุณหมีค่ะขออนุญาตครับคุณพ่ออายุ 9, 87ปีฝากถามว่าขาเขาไม่ค่อยมีแรงทําอย่างไรจะหายเป็นปกติได้หรือวางใจอย่างไรครับกรรมว่าเกิดไหมถ้า <laughs> 87ปีแนละ้วมันจะไม่มีทางดีขึ้นหรอ ทำใจเถิดมีแต่จะเลวลงไปเรื่อยๆถ้ามันไม่เลวก็ถือว่าดีแล้วถ้ามันเลวกาก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาถ้าอยากจะให้มันดีกว่านี้ก็ต้องกลับมาเกิดใหม่กลับมาเกิดใหม่แล้วก็จะเป็นแบบนี้ทางที่ดีอย่ากลับมาเกิดเลยดีกว่าคำถามจากคุณสมานค่ะ ผมปฏิบัติมาหลายปีแล้วครับทําไมยิ่งนานชีวิตยิ่งมีแต่อุปสรรคครับทํามาค้าขายก็ยากป่วยบ่อยยิ่งอยากมากก็อุปสรรคก็มากอยากน้อยอุปสรรคก็น้อยไม่อยากเลยก็ไม่มีอุปสรรคเล ย, ยงั้นถ้าไม่อยากจะมีอุปสรรคก็อยา่าไปอยากได้อะไรให้ยินดีสันโดษตามมีตามเกิดมันจะไม่มีอุปสรรคได้อะไรก็ดีใจไปไม่ได้ก็ดีใจไม่ต้องไปต่อสู้กับอะไร ที่มีอุปสรรคมากก็เพราะอยากมากถ้าอยากได้มากมันก็ต้องมีมีงานที่ต้องทมากถ้าอยากได้น้อยงานก็น้อยอุปสรรคก็น้อยถ้าไม่อยากเลยก็ไม่ต้องมีงานเลยอุปสรรคก็ไม่มีเลยคำถามจากคุณประทีปค่ะ เมื่อเราเจอผู้หญิงที่สวยที่เราชอบเราควรพิจารณาอัศวะหรือปฏิกูลเพื่อลดความรักความพอใจในรูปนั้นแต่ถ้าเราพบรูปที่ไม่สวยไม่ดีเช่นคนที่เจ็บป่วยหนักผายพร้อมผิวพรรณผิวหนังไม่สวยงามน่าเกลียดแล้วเกิดความไม่ชอบความกลัวความรังเกียจเราควรพิจารณาอย่างไรเพื่อให้จิตเป็นกลางไม่เป็นทุกข์ใจครับพิจารณาเขาเป็นกรรมของเขาไง เขาทำกรรมใดไว้เขาก็เลยต้องมารับผลของกรรมของเขาไปคําถามจากคุณละนันทิค่ะลูกจะสามารถทําบุญให้พ่อกับแม่ยังไงได้บ้างคะที่ท่านจะได้รับผลบุญนั้นแน่ๆค่ะพ่อแม่ยังอยู่หรือเปล่าไม่ได้บอกถ้าตายไปแล้วก็ทําบุญใส่บาตรถวายสังฆทานถวายผ้ากระถิ่นถวายอะไรต่างๆอนี้หรื อ, อทําเงินเอาเงินบริจาคโรงพยาบาลก็ได้ ไปแจกมูลนิธิก็ได้เอาไปแจกคนยากคนจนก็ได้อันนี้ก็เป็นบุญทั้งนั้นสามารถเลือกทําได้แล้วแต่เราอยากจะทําถ้าท่านยังมีชีวิตอยู่ก็เอาเงินไปให้ท่านเลยเพราะบุญเงินนี่แหละเป็นบุญเวลาให้ท่านแล้วใจท่านก็มีความสุขเอาว่าบุญก็คือความสุขใจคนคนคนคนตายเราสเราส่งเงินไปไม่ได้เราก็ต้องส่งบุญไปแทนแต่คนเป็นนี่ไม่ต้องส่งบุญส่ง ส่งเงินไปเลยเอาเงินไปให้เลยแล้วเขาก็จะมีความสุขใจขึ้นมาคำถามจากทางเฟซเอ่อทาง y o u t u b รัเตอร์วีค่ะคนเป็นโรคปาาระสาทสามารถมารู้ทําได้ไหมเจ้าคะคนเป็นโรคประสาทคนไม่มีสตินี่เขาเรียกคนเสียสติถ้ า, าสติกลับมาได้ก็หายได้หนึ่งสติกลับมาให้มีพุทโธพุทโธพุทโธห้ใจสงบแนงมันก็หาย ที่มันไม่มสติมันเลยปล่อยให้ใจคิดฟุ้งซ่านโยนกายเป็นคนบ้าไปคำถามจากคุณมอกกาแบค่ะลูกชายฝากถามครับว่าความทุกข์ที่เกิดจากความกลัวกังวลอยู่ในสติปัฏฐานข้อไหนครับอย่างไรแก้ไขได้แบบใดครับ อ, อ, อยู่ในข้อที่ยังไม่เห็นร่างกายว่าไม่ใช่ตัวเราของเราร่างกายนี้มันไม่ใช่ตัวเราของเราแต่เราไปหลงคิดว่าเป็นตัวเราของเรา แล้วพอรู้ว่ามันจะตายเราก็เลยคิดว่าเราจะตายไปกับมันด้วยเราก็เลยกลัวกลัวความตายกันเพราะเรายั ง, ย, งยังมีความอยากจะอยู่ต่อไปแต่ถ้าเราพิจารณาด้วยปัญญาเห็นว่ามร่างกายมันไม่ใช่ตัวเราของเราแล้วมันต้องแก่เจ็บตายไปตามธรรมชาติของมันถ้าเรายอมรับความจริงได้ใจของเราก็จะหายกลัวคาถามจากทาง youtube จากกุมพลยค่ะ ทำไมเวลาลูกนั่งสมาธิหน้าคนนั้นคนนี้ชอบลอยในหัวเจ้าคะทั้งนักที่ไม่ได้คิดเห็นคนเหล่านี้เลยเจ้าคะเพราะไม่มีสติไงไม่อยู่กับพุโทโธไม่อยู่กับลมหายใจมันก็อะไรก็โผล่ขึ้นมาได้คำถามจากคุณปิศนาค่ะดูแลแม่ติดเตียนอัลไซเมอร์ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลยฟังธรรมะแล้วทำให้ลูกจิตใจดีขึ้นใช่ไหมเจ้าคะดี เราย้อนคิดถึงตอนที่เราเป็นเด็กบ้างแล้วก็เป็นนหมอนก็เป็นเหมือนคนเป็นอัลไซเมอร์ตอนเป็นเด็กก็ไม่รู้เรื่องรู้ราวพ่อแม่ก็ต้องคอยดูแลเราปวดฉี่ตอนเดึกๆ ก, ก็ต้องร้องเรียกพ่อแม่พ่อแม่นอนหลับสบายก็ต้องตื่นขึ้นมาพาเราไปฉี่นึ ก, กถึงบุญคุณของท่านแล้วการเลี้ยงดูท่านจะมีความรู้สึกเป็นเรื่องคิดจอยท่านท่านให้รเรามามากกว่าสิ่งที่เราจะตอบแทนท่านได้อ และการตอบแทนบุญคุณพ่อแม่นี่ถือว่าเป็นการทำบุญที่ดีที่สุดของลูกๆได้ทำบุญกับพระอรหรันต์คำถามจากทาง u t u b e จากคุณโอเวคเคพระอรหันต์มีเวทนาอยู่ไหมครับและถ้าเห็นคนที่สวยยังมีความสุขที่เห็นไหมครับมีเวทนาทางกายอยู่คือร่างกายยังเจ็บไข้ได้ป่วยยังปวดหัวตัวร้อนได้อยู่เห็นอะไรก็เห็นแล้วก็เฉยๆสวยก็เฉยไม่สวยก็เฉย ไม่มีอารมณ์กับสิ่งที่เห็นไม่มีความรักความชังกับสิ่งที่ได้รับรู้รับเห็นคำถามจากทางเฟซบ o o กคุณนิชาพรค่ะลูกฝากถามว่าข้อสอบถามเรื่องการสู้รบกันในไทยกับเขมรมีการสูญเสียทำให้เป็นใจทุกข์และคนฝึกสมาธิสติในข้อสอบนี้ถามว่าตรงกับจิตานุปัสสนาหรือเวทนานุปัสสนา ตอบลูกไม่ได้ค่ะแบบนี้เรียกว่าฝึกอะไรคะฝึกสติก่อนไงฝึกสติเพื่อทำใจให้นิ่งให้เป็นสมาธิพอใจนิ่งแล้วเห็นเหตุการณ์อะไรต่างๆก็เฉยได้คำถามจากคุณสทาค่ะถ้าเราตั้งจิตถวายชีวิตให้กับพระพุทธเจ้าแล้วจะไม่กลัวอะไรที่จะเกิดขึ้นแล้วแม้แต่ความตายแบบนี้ได้ไหมคะก็ลองทาดูสิ ลองตั้งจิตแล้วก็ไปอยู่ป่าชา้าไปอยู่ในป่าคนเดียวดูเราเจอเสือเจอสัตว์แล้วดูสิว่าเราจะนิ่งเฉยหรือเปล่าถ้านิ่งเฉยไม่กลัวก็แสดงว่าเราก็ไม่กลัวถ้าเห็นแล้วก็กโจรหนีอะไรก็แสดงยังกลัวอยู่คําถามหมดค่ะหมแล้วนะอ้าวมีใครอยากจะถามนั้นเข้ามาเลยจ้องแล้วเนี่ยรู้มาอยู่ว่าตอนไหนบ้างเนี่ย ออยู่ทุกวันค่ะอยู่ทุกวันมาเช้ายังกลับนี้เลยอยู่ น, นอนเลยค่ะนอนเลยเจ้าค่ะเขาอยู่ได้ทุกวันเลยใช่ใช่เจ้าค่ะทำไมเขาทางานที่นี่เลยก็อยู่ช่วยงานวัดเจ้าค่ะอ๋ออ้มาวมาถามอะไรว่ า, าอในกรรมฐานสี่สิบกองอะค่ะมันจะมีอยู่กองหนึ่งที่เขาเรียกว่าอุปัสมานสุสกิตสติกรรมฐานค่ะที่อบอกว่าเป็นอารมณ์ระลึกถึงอพระนิพพานเจ้าค่ะ อาจารย์พอจะทราบอันน oh. ี no ้ไหมเจ้าคะก็นิพานก็คือความว่างไงก็ให้นึกถึงความว่างไว้เรางนึกถึงท้องฟ้าที่ไม่มีอะไรก็คือความว่างความสุขของความว่างแต่มันไม่เป็นของจริงเพราะมันเป็นของจินตนาการก็ใช้ได้แต่มันยากช่วเอาของง่ายๆดีกว่าดูลมไปจะง่ายกว่าแต่ถ้าเรามีคนเจร็ญที่ เราอาจจะเคยมีความว่างความสงบมาแล้วแล้วก็อาจจะใช้มันได้อันนี้ต้องแล้วแต่ละคนถ้ายังไม่รู้จักความว่างความสงบไปมันก็นึกไม่ได้ว่าเป็นอะไรพอเรามีอดีตมาไม่เหมือนกันอดีตใชาติก็ชาติก่อนเอาจจะเคยได้สมาธิมาบ้างแล้วเราจําได้ความว่างว่าเป็นยังไงเราก็ใช้ความว่างนั้นเป็นอารมณ์ก็ได้ค่ะ อ, อแล้วมีอีกหนึ่งคำถามค่ะอาจารย์พอจะทราบเรื่อง กระแสไหคะพี่อาจารย์คำว่ากระแสพระอาจารย์พอมีทำอะไรที่เกี่ยวกับคําว่ากระแสอธิบายให้โยมพอเข้าใจได้ไหมคะความคิดไงกระแสของความคิดคิดมาตั้งแต่เช้านไหลมาทั้งแต่เช้าจนตอนนี้ก็ยังไม่หยุดเลยใช่ค่ะแต่กระแสความคิดของเรามันเป็นกระแสไปกับการเวีนว่ายตายเกิดมันคิดไปหาเรื่องการมาพบลูบะพบบารูปะพบยังไม่ใช่เป็นกระแสที่เข้าหาพระนิพพาน พันิพานไปอีกวันไปทางหนึ่งคนละทางกั น, นกระแสกระแสของพวกเรามันกระแสไปสู่การเวียนว่ายตายเกิดกระแสพันธิพา น, านเราต้องทวนกระแสของการเวียนว่ายตายเกิดด้วยการนั่งสมาธิหยุดหยู่กระแสก่อนพอหยุดแล้วก็สั่งให้มันไปทางพันิพานด้วยปัญญาต่อไปก็เข้าสู่กระแสพันิพา น, านเป็นพัสดาบันขึ้นมา อ, อแล้วความคิดเนี่ยครับ ตั้งแต่เด็กๆนี้พวกเด็กๆเขาจะมีความคิดมันยอมลืมแล้วค่ะแล้วว่ามันเกิดจากการที่เราสะสมตั้งแต่เด็กเราค่อยๆเติบโตมาแล้วก็ อ, อ๋อมันสะสมมาตั้งแต่พบก่อนชาติก่อนะจิตเราไม่ได้ตายไปกับร่างกายความคิดต่างๆมันก็สะสมอยู่ในจิตเราเหมือนฮาร์ดดิสก์นะเราเปลี่ยนเครื่องแต่เราไม่ได้เปลี่ยนฮาร์ดดิสก์เราเอาฮาร์ดดิสก์ตัวเก่าใส่เข้าไปข้อมูลต่างๆที่อยู่ในเครื่องเก่ามันก็อยู่ในอยู่ในฮาร์ดดิสก์หมดใจเราเนี้ยเป็นฮาร์ดดิสก์ ที่ไม่ไม่มีจำนวนจำกัดข้อมูลบรรจุดได้เต็มที่เลยเท่าไรเท่ากันพระพุทธเจ้าระลึลกชาติได้เป็นไม่รู้กี่แสนล้านชาตินแล้ว่ะอ่แล้วที่มีคำกล่าวไว้ว่าสิ่งที่เราไม่ควรที่จะรู้มีอยู่สี่อย่างอย่างเช่นเรื่องของอวกาศเรื่องของพระพุทธเจ้าไม่ใช่สิ่งที่เราไม่ควรรู้เป็นสิ่งที่เราไม่รู้พูดไปก็ไม่เข้าใจ เป็นสิ่งที่เหนือความความสามารถรับรู้ของเราได้มันเป็นสิ่งที่มันเหนือวิสัยคนเป ค, ค, คนธรรมดาคนที่จะรู้ได้ต้องเป็นพระอรหรันต์พระพุทธเจ้าเนแต่จะรู้ได้เรื่องฌานเรื่อง เ, อเรื่องกรรมแล้วก็เรื่องการเกิดของพบการเกิดของพบต่างๆเกิดขึ้นมาเมื่อไหร่อะไรเหล่านี้ันเป็นสิ่งที่มันไม่ใช่อยู่ในวิสัยที่เราจะไปเสียเวลา คิดให้มันเสียเวลาคิดก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเรื่องอาจินตายอาจิน ใ, ใ จ, นจินตยก็เหนือความจินตนาการของเราไงจินก็แปลว่าจินตนาการอ่ะก็ว่าไม่ไม่อยู่ในอยู่ในจินตนาการจินตนาการของพวกเราคิดไปก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรด้วยเสียเวลาไปกว่าฟังให้คิดตามที่พระเจ้าสอนก็พอให้คิดอสุภะให้คิดอนิจจังทุกขงังอนัตตาก็พอ เราจะดับความทุกข์ในใจของเราได้หมดคิดเรื่องว่าจินตายรู้ไปก็ไม่ได้ดับความทุกข์ใจของเราได้เจ้าค่ะอย่างนี้นี่เองกล่าวขอบพระคุณเจ้าค่ะ <Okay. S 2> คำถามจากทางเฟ e บุ๊ k คุณเทวริ์ค่ะ mm hmm. ผมเพิ่งเริ่มนั่งสมาธิได้มีโอกาสไปที่น่ากุติสองครั้ง วันนี้นั่งที่บ้านรู้สึกว่าสมาธิดีขึ้นช่วงแรกๆจะเกิดอาการปวดขาปวดเอววันนี้พยายามปล่อยไปตามธรรมชาติจับอารมณ์ที่ปลายจมูกวันนี้ทำได้ดีครับถือว่าสมาธิเราเริ่มพัฒนาไประดับหนึ่งแล้วหรือเปล่าครับสติเราเริ่มพัฒนาขึ้นสติเป็นเหตุที่จะทำให้เกิดสมาธิขึ้นมามือนพยายามจำวิธีของการเจริญสติไว้วเวลานั่งก็ทาต่อไปไม่ต้องมาย่านั่งแล้วอยา ไอ้มันเหมือนเมื่อก่อนนี้มันมันไม่เกิดจากความอยากมันเกิดจากการวิธีนั่งที่ถูกของเราในคราวที่แล้วคราวที่แล้วเรานั่งยังไงแล้วทําให้ใจเราสงบคราวนี้เราก็เอามาใช้ต่อเั้นก่อนที่จะเลิกเวลานั่งใจนั่งแล้วใจสงบก็ให้ทบทวนวิธีนั่งของเราวันนี้ว่าเราทำยังไงมันถึงสงบดีแล้วคราวหน้าเราก็จะได้เอาวิธีนี้กลับมาทําต่อได้คําถามจากคุณละนันที ถ้าเราขาดการสวดมนต์แต่เราใช้วิธีการนั่งสมาธิภาวนาแทนได้ไหมคะได้ถ้านั่งสมาธิได้จะดีกว่าการสวดมนต์ที่คนต้องสวดมนต์ก่อนเพราะนั่งสมาธิยังไม่ได้ยังไม่มีกําลังพอถ้าเรามีกําลังพอที่จะนั่งสมาธิได้ก็ไม่ต้องสวดมนต์นั่งได้เลยคําถามจากคุณณัท ว, วดีค่ะแม่ลูกเกิดมาจากอดีตกรรมที่เคยทํามาร่วมกันหรือเปล่าเจ้าคะก็เป็นไปได้แล้วเป็นไปไม่ได้มันแล้วแต่ ไม่ไม่ได้เป็นว่าจะต้องเป็นเหมือนกันทุกรลยไปบางไลน์เขาเคยมีร่วมบุญกันมาแล้วจังหวะมาเกิดมาเจอกันพอดีก็มีบางไายททำบุญร่วมกันมาแต่จังหวะมาเกิดไม่เกิดเวลาเดียวกันก็ไม่เจอกันเหมือนกับโยมขับรถไปที่สียแยกไฟแดงวันนี้แล้วเจอรถที่จอดอยู่ข้างๆเรานี่เดี๋ยวพรุ่งนี้กลับไปสียายกไฟแดงคิดว่าจะเจอคันเก่านั่นแหละมันก็แบบนั้นนะ แต่ละครั้งที่เรามาเกิดในภพนี้ก็เหมือนเราไปติดที่สี่แยกไฟแดงแล้วไปเจอกับรถที่อยู่ข้างๆเราเนี่ยรถข้างๆเราก็เป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเราเน่ยคือเรื่องของการเกิดมันมีเหตุหลายปัจจัยด้วยกันไม่สามารถที่จะกำหนดตายตัวได้มันต้องเป็นเหตุนี้เหตุเดีเอาเป็นต้นคำถามจากคุณกุญจิลาค่ะ การทำใจให้เป็นอุเบกขาคือการฝึกสมาธิจากเบื้องต้นถึงฌานสี่ถึงจำใจให้เป็นอุเบกขาได้ถูกไหมเจ้าคะใช่ถ้าเข้าฌานสี่ได้ก็จิตก็จะเป็นอุเบกขาถ้ายังไม่ถึงฌานสี่ยังไม่เป็นอุเบกขายังมีวิตกมีวิจาร์มีสุขมีอะไรอยู่ของมันแต่พอพอเพ่งไปเรื่อยๆดูลมไปเรื่อยๆพุโทโธไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็เข้าไปสู่ฌานสี่มันเป็นกียรติอัตโนมัติเราไม่ต้องไปบังคับมัน เข้าเกียรพุโทโธคําเกียรเดียวพอแล้วเดีย๋ยวพุโทโธจะพาเข้าไปทั้งสี่ที่เลยบางทีก็เข้าอย่างรวดเร็วจากหนึ่งไปถึงสี่เหมือนกับตกหลุมตกบ่อจากตกจากที่สูงเลยบางทีก็ลงเป็นขั้นบันไดปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บอันก็มีอันก็อย่าไปอย่าไปค า, าดอย่าไปคิดมันจะเป็นยังไงก็เรื่องของมันเรามีหน้าที่ดูลมก็ดูลมไปมีหน้าที่พุโทโธก็พุโทโธไปเท่านั้นพออย่าไปคาดเมื่อไหร่นะเมื่อไหร่จะถ้าคิดอ่างนี้ไม่เข้านะ เท่าไม่ได้อย่าไปคิดอะไรทั้งนั้นอย่าไปสนใจเรื่องผลสนใจที่เหตุให้อยู่กับเหตุคือพุโทโธแล้วอยู่กับลมหายใจไปอาเดียวมันก็จะพาเราเข้าไปเองคำถามจากคุณจากทาง u ูทูบคุณ a เว k e ค่ะแล้วพระอาหารหันต์พอเห็นคนที่สวยแล้วยังรู้ไหมครับว่าคนนี้สวยหรือเห็นเป็นไตลักไปแล้วจึงเห็นความสวยไม่ได้แล้ว <c oughs> ไว้ไปเป็นผ้าหลานก่อนก็จะรู้เองหวง่วงดลวยก็อนคำถามหมดเจ้าค่ะหมดแล้วมีใครอยาจะถามอีกไหมเชิญเข้ามาทางนั่นเ้ เพราะว่าวันวันไหนใกล้ใก่อนจ้ะใก้ใกล้ปางนจะมีวันที่นั่งสมาธิแล้วเรารู้สึกว่ามันสงบอะค่ะแต่พอหลังจากวันนั้นสักสองสามวันก็คือจะนั่งไม่ได้เลยมันจะฟุ้งมากเป็นอย่างประมาณ3ามครั้งกําลังสติอ่อนใช่ไหมคะใช่แล้วไม่ฝึกสติวันไหนมันก็จะเข้ายากมันก็จะฟุ้งวันไหนเรามีสติดีมันจะเข้าง่าย มันเกี่ยวกับขั้นตอนตอนก่อนหลังจากเรานั่งเสร็จหรือเปล่าคะทั้งวันเลยทั้งวันเรามีสติมากน้อยมันก็จะเป็นเหตุที่จะทําให้จิตเราสงบง่ายหรือยากถ้าเรามีสติคอยควบคุมใจเราอยู่เรื่อยๆมันก็จะเข้าได้ง่ายวันไหนเราปล่อยให้ไปกับเรื่องนั้นเรื่องนี้วุ่นวายไปกับเรื่องนั้นเรื่องนี้วันนั้นเข้าไม่ได้สังเกตเจอเป็นอย่างเงี้ยสามรอบแล้วคะ่ะพอที่ดีสองสาม<ะ> 2> 2วันแย่อะไรเงี้ยค่ะวันไหนแย่ก็รีบดึงพุโทโธเข้ามาช่วย พูดโทพูดโทพูดโทสงบสติอารมณ์ก่อนมานั่ง เ, เดี๋ยวแล้วนั่งมันก็จะสงบได้อยู่ที่สติเป็นหลักจิตสงบหรือไม่สงบฟุ้งซ่านหรือไม่ฟุ้งซ่านนี่อยู่ที่สติราวันเราไม่มีสติเราปล่อยให้ใจยุ่งไปกับงานยุ่งกับเรื่องนั้นเรื่องนี้มันก็เลยฟุ้งขึ้นมาพอมานั่งมันยังคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่แต่วัานไหนถ้าเราควุมไว้ก็ไม่ให้มันคิดมากคิดเท่าที่จําเป็นพอเรื่องมันผ่านไปแล้วก็ลืมมันไปเลย อ่ะอย่างนี้มันก็จะมีสติเยอะแล้นั่งสมาธิมันก็จะสงบได้ง่ายแล้วก<ฆ>็พยายามฝึกสติบ่อยๆทั้งวันทุกวัน<ฆ>สติยิ่งมากเท่าไหร่ยิ่งดีดีทั้งทางโลกดีดีทั้งทางธรรมถ้ามีสติทํางานก็ไม่ผิดพลาดแล้วไม่มีอารมณ์ไม่เครียดไม่ทุกข์กับงานที่เราทำวันไหนถ้าไม่มีสตินี่มันจะเครียดบางทีทุกข์แล้วบางทีก็ทําแบบผิดพลาดทําทแบบไม่ถูก ใจเราลอยไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เวลาที่เราทำงานค่าอีกวันมันจะแบบเดี๋ยวก็ไปนูน่นไปนี่ค่ะเพราะ น, นั้นไม่มีสติ้อใจนะพยายามดึงกลับมาที่ปัจจุบันกลับมาหาพุโทโธพุโทโธพุโทโธแล้วเดี๋ยวมันก็นิ่งโอเคอมาแล้วขาประจำเป็นไร นวัตการมค่ะหลวงพ่อเออยากถามว่าเอมีอาการสมาธิแบบนี้มาสามครั้งแล้วค่ะเอนั่งแล้วเสียงเอพูดโทพูดโทอยู่แล้วมันก็เหมือนสับสวิตตึกตึกตึแล้วมันแต่เอก็พูดโทต่อมันก็มันเหมือนว่าไปต่อไม่ได้มันอยู่แค่นั้นแหละค่ะทุกครัง้งสามครั้งแล้วค่ะเป็นอาการนี้แล้วมันสุขมันสบายหรือเปล่าถ <M ull aby> ้ามันสุกสบายก็ไม่ต้องทําอะไรเราต้องการนั่งเพื่อให้มันสุขให้มันสบายให้มันนิ่งไม่คิดอะไร ถ้ายังคิดอยู่ยังไม่สุขไม่สบายก็พูดโทรใหม่ต่อไปพูดโทรไปเลื่อยค่ะเราก็พูดโทพูดโทแล้วมันก็ไอ้ตึกตึกต ก, ตกมันก็หายไปแล้วก็มันผ่านไปก็ปายมันผ่านไปแล้วเราก็พูดโทรต่อไปจนกว่าเราจะเจอความสุขความเยน็นความสบายนั้น เ, เราก็ไม่ต้องทำอะไระก็อยู่เฉยๆให้มันสุขให้มันสบายไปเหมือนเปิดเครื่องแอร์ติดแล้วเครื่องแอร์ทาความเย็นแล้วใจต้องเย็นใจต้องสบาย สแสดงว่าอันนี้คำถามว่าหนูมาครึ่งทางแล้ ว, ลวใช่ไหมกําลังเข้าเข้าขั้นอยู่ <laughs> ทําตอบไป <laughs> คําถามจากคุณนรรัทธวดีค่ะเคยเห็นพ่อแม่ที่ตายไปแล้วท่านยังอยู่ที่บ้านเก่าแสดงว่าท่านยังไม่ได้ไปเกิดใช่ไหมคะมาถามท่านดูสิมาถามเราทําไม เจอท่านแล้วไม่ถามแล้คำถามหมดคะ่ะโอเคถ้าอย่างนั้นมีใครอยากจะถามอีกไหยไม่มีครับท่า น, นี้ อ, อีกข้อหนึ่งเลยเอาอในบางสถานที่ค่ะเวลาที่เขาจะนั่งสมาธิค่ะจะต้องมีคําสมาทานพระกรรมฐานนะคะซึ่งในคําสมาทานพระกรรมฐานบางทีมันมันไม่ได้หมายถึงมันมันมันจะมีเหมือนว่าให้เราไปรู้สิ่งนั้นสิ่งนี้ให้มีอายา มีปัศนายาั้นทั้งเก้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมีความจำเป็นไหมคะหรือว่ามันเป็นเองของมันอะไรก็วันเผาชียรยหน้านะ่ะมีก็ได้ไม่มีก็ได้เวลากินอาหารนี่บางทีเขาอยากจะจัดให้มันสวยเขาก็ามีผักมีอะไรมาจัดให้มันดูงามแต่เวลากินเราไม่กินพวกนี้ใช่ไหม <laughs> เลากินเนื้อของมันกินเนื้อแล้วการปฏิบัติแล้วต้องการเนื้อก็ไม่ต้องมีพิธีกรรมอะไรนั่งหลับตาพุโทโธเริ่มไปเลยได้ไม่ต้องไหว้ครูไม่ต้องกล่าวคําอะไรทั้งสิ้นทั้ง แต่บางคนเขายังติดพวกพิธีกรรมอยู่ทำอะไรต้องมีการตั้งตั้งนุณนะโมก่อนตั้งอะไรก่อนนั้น ก, ก็ก็ทำไปตามตามประเพณีของเขาไแล้วกันแต่เวลาทำจริงๆมันก็แค่สติกั บ, ก, บกับกิเลก ท, ที่สู้กันเท่านั้นเองพอขึ้นในทีแล้วก็เหมือนเหมือนต่อยมวยอะ่ะ <c oughs> ตอนด้็อาจจะมีไหว้ครูกันก่อนพอไหวค้ครูเสร็จถึงเวลามันก็มันก็สตาร์ทกันะระหว่างคู่ต่อสู้ ก็เหมือนกันการนั่งสมาธิก็คือการต่อสู้ระหว่างสติกับกิเลสกับความอยากถ้าสติมากกว่าก็ชนะจิตก็สงบถ้าถ้าสติแพ้สติน้อยกว่าสติแพ้ใจก็ไม่สงบก็ต้องเลิกนั่งไปมีท่านนี้ที่สําคัญประเด็นสําคัญอยู่แท่นลยส่วนจะตั้งนโมจะตั้งกล่าวคําอะไรไปเชิญเทวดามาดูมันก็เป็นเรื่องพิธีกรรมเรื่องของความเชื่อท่าน ที่ไม่ใช่เป็นความจริงแต่ยังไงไม่มีความสำคัญเจ้าค่ะเข้าใจแล้วเจ้าค่ะโอเคกล่<ะ>าวขอบพระคุณเจ้าค่ ะ, ะนีออันนี้สงของการฟังธรรมหรือสนธนาธรรมก็คือจะช่วยกำจัดความสงสัยต่างๆให้หมดไปจากใจได้เนั้นถ้าสงสัยอะไรก็ต้องมาฟังธรรมมาถามคำถามกัน โอเคนะหมดแล้วใช่ไหมอ่า<ช>คำถามหนึ่งเข้ามาจากคุณณัทวดีค่ะการเจริญสมาธิโดยใช้วิธียุบหนอพองหนอกับพุทโธต่างกันอย่างไรเจ้าคะมต่างกัน่ะเพียงแต่มันกินข้าวอ่ะ ก, นะกนมมินก๋วยเตี๋ยวกินข้าวต้มอย่เงี้มันก็อิ่มเหมือนกันเป็นอาหารเหมือนกันพุทโธก็เป็นอาหารยุบหนอพองหนอก็เป็นอาหารเราจะกินเลือกกินอาหารชนิดไหนก็ได้มันก็จะทําให้ใจเราสงบเหมือนกันโอเคนะวันนี้ก็เอาแค่นี้ก่อน